ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ทั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะพระอาจารย์สรงศิน์พระเทรานุเทระเพื่อนสาธรรมิกก็เจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันทาวัดเย็นในวันนี้ก็นั่งตามปกติ จะนั่งสร้างจังหวดก็ได้นะสหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะก็ประกอบไปด้วยหมอนะทั้งหมออายุรกรรมหมอฟันหมอยาเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะแล้วก็ญาตนะิโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตในวันนี้ นะก็คงจะได้สัมผั ส, นะรส ป, ประสบการณ์ในการเจริญสตนะิโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเลยเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยจะมาสงสาร น, นะสงสัยจะเข็ดแล้วไม่มาแล้วนะเพราะเท่าที่ดูสังเกตนะ์คือ <c oughs> ความจริงหรือสัจธรรมเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างที่เรานึกคิด การเรีย น, นรู้ธรรมะเนี่ยอย่าไปใช้ความคิดการศึกษาทางโลกเนี่ยใช้ความคิดเอาเหตุเอาผลคำนึงคำนวณแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการสัมผัสลงไปตรงๆในสิ่งที่ปรากฏนะซึ่งสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะก็คือที่ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเมื่อร่างกายจิตใจของเรา เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะมันก็จะมีปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันต้องอาศัยเครื่องมือชนิดหนึ่งนะก็คือความรู้สึกตัวหรืเราเรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะอ่านกายอ่านใจของเราและความรู้สึกตัวเนี่ย มันมีโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วแต่ที่เรามีเนี่ยมันเฉยมันใช้ได้เฉพาะงานประจำวันกิจวัตรประจำวันนะแต่ว่ามันไม่ไวพอที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนะซึ่งตรง น, นี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาพัฒนานะหรือเรียกว่าการภาวนานั่นเอง คำว่าภาวนาเนี่ยภาษาไทยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงการท่องบทบริกรรมพุทโธสัมมาราหังยุปหนอพองหนออันนั้นมันไม่ใช่คำว่าภาวนาอันนั้นมันมันคือการบริกกรรมแตภภ่ภาวนาโดยภาษาหรือโดยศัพท์ก็คือพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มีความฉับไวขึ้นฉับไวให้มันทันกับความคิด นะเพราะความคิดเนี่ยการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดเนี่ยนะเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของความคิดนะคิดดีคิดไม่ดีคิดถึงความสุขเก่าๆวิตกกังวลไปในเรื่องอนาคตนะวันหนึงเราคิดไม่รู้กี่กี่เรื่องนะอย่างที่ท่านจารงศิลก็บอกประมาณห้า0ม0 0 0 0กเรื่องนะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เข้าได้ใช้เครื่องมือนะในการที่จะนับ ความคิดนะเส้นตรงนี้เนะี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอนะก็คือไม่ฉับไวพอเราก็จะไม่เห็นนะไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์เราก็จะตกอยู่ในภายใต้อารมณ์หรือความคิดนะที่มันเกิดแล้วๆลเล่าเตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันการศึกษาในโลกปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ ให้ความสนใจในสิ่งข้างนอกนาะคือ ข, ข้างโลกตัวนะซึ่งอันนั้นก็ดีนะเป็นเรื่องที่เราจะมาใช้สําหรับการทําการทํางานในการที่จะเลี้ยงตัวเราเองในการที่จะสร้างสรรค์สังคมสร้างประเทศชาติสร้างโลกนะซึ่งก็เป็นความรู้ที่สําคัญแต่ความรู้อีกอันหนึ่งก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราความรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเนี่ยนะ มันไม่ใช่ใช้ความคิดความน็กแต่มันเป็นการสัมผัสรู้โดยอาศัยความรู้สึกตัวทีนี้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันเป็นนามธรรมาเราจะไปจับมาให้มันเป็นไปอย่างใจเราก็ไม่ได้แต่มันก็มีกลไกายอันหนึ่งมาก็คือการที่จะทำให้ความรู้สึกตัวของเรามันตื่นขึ้นเนี่ยเราจะอาศัยการเคลื่อนไหวของกาย นะซึ่งในครั้งพุทธการเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ลหมหายใจนะคืออาณาปณสตินะเป็นเป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นกายละเอียดนะที่รู้เท่าทันนะพราะกายกับใจมันอยู่ติดกันความคิดเนี่ยนะมันก็จะอยู่ในกายในใจเรานี่แหละนะเพราะั้นการที่เรามาต้องการที่จะรู้เท่าทันความคิด อารมณ์ต่างเนี่ยนะเราก็มาทำความรู้สึกตัวหรือมาเคลื่อนไหวเจตนาที่จะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายนะซึ่งวิธีการที่หลวงพ่อเทียนได้นาเสนอเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะก็คือใช้กายเคลื่อนไหวอย่างที่รูปแบบ14จังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดี นะอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะของการที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นให้มันฉับไวให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการทำเนี่ยมันต้องอาศัยทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำให้ต่อเนื่องแต่คำว่าต่อเนื่องในทีนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องรู้ตลอดเวลานะใหม่ๆเนี่ยมันรู้เป็นเป็นขณะขณะไปนะ บางคนเท่าที่สังเกตพยายามเดินช้าๆนะค่อยๆเดินช้าๆจะใจ้มันรู้ตัวตลอดนะซึ่งก็จะเห็นหน้าตาจะเขร่งเคียดนิดหนึ่งจะเกรงนะซึ่งอันนั้นมันดูตามธรรมชาติแล้วนะไม่ๆเนี่ยมันรู้บ้างเผลอบ้างแต่มันเผลอมันกลับมารู้ได้เร็วนะแรกๆมันก็รู้ไม่ทันหรอกมันเผลอไปคิดไป โ, โหสิบเรื่องยี่สิบเรื่องแล้วถึงมารู้ทีหลัง แตถ้าเราทําซ้ซําๆบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้ทันนะรู้รู้ได้เร็วขึ้นนะเวลาเราเผ อ, อเราเผอไปแล้วก็ไม่เป็นไรเผอไปเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกตัวเนี่ยให้เริ่มต้นใหม่เรื่อยๆอาจารย์โกวิทย์เขมรนันทะชอบใช้ว่าความรู้สึกสดๆนะก็คือความรู้สึกปัจจุบันนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ความคิดนะ คนนี้เนี่ยเป็นอุปรสรรคสำคัญมากสําหรับคนในยุคปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันเราเรียนหนังสือโดยใช้ความคิดเราก็คิดว่าไอ้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันอย่างนั้นใช่ไหมเราใช้ความคิดน่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทิ้งมันไปเลยไม่ต้องมาคิดเลยรู้สึกนะกับมันตรงๆอย่งางขณะที่เรานั่งอยู่นี้เรารู้สึกกับก้นที่สัมผัสกับพื้นนะ ตรงๆเลยมันไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะนะผิวของเราสัมผัสกับพัดลมเออมันเย็นแล้วก็มีอากาศร้อนบ้างนะหรือเร า, ย ก, ายกม้ายกมือเนี่ยเราก็รู้นะได้ได้ยินเสียงที่พูดอยู่นี้เราก็รู้นะเนี่ยมันมันเห็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านี่แหละโดยไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยนะซึ่งมันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ขณะนี้เลย นะเพราะฉะนั้นการฝึกตเตือนสติโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นวิธีการที่ง่ายตรงไปตรงมาแต่ที่ผู้ศึกษาปฏิบัติมักไม่เข้าใจเพราะว่าไปใช้ความคิดเนี่ยไปใช้ความคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกการเลนก็คือบางคนอาจจะสงสัยให้เราอยู่บ้านอูดีสบายๆว่าทำทำไมมันถุก บางคนอาจจะมีความสงสัยอยู่ที่บ้างเราสบายถ้าเราเครียดเรากัดกุ้มเราก็เล่นดนตรีก็ได้เราก็โทรศาพาเพื่อนก็ได้หรือคนไหนที่ชอบกินก็ไปหาอะไรอไร่อยๆกินก็ได้ฟังเพลงดูหนังนะมันก็คลายได้เหมือนกันนะทำไมเราจะต้องมานั่งสร้างจาังหวะซ้ำๆ ซ, ซักๆนะน่าเบื่อจะตายอัตมาตแต่ก่อนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ที่ฝึกใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละมันเบื่อมั้นกันแหละนะเรื่องนอนที่สุดเลยขนาดเดินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปต้นไม้ต้นตนึงมันที่มันเบื่อามากๆแล้วหัวชนต้นไม้ด้วยนะมันไม่รู้จริงๆอ่ะนะจริงๆอารมณ์มเบื่อก็ดีอารมณ์เบื่อก็ดีเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เขามาแสดงให้เราดูแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็ตกจมอยู่ในความเบื่อความเบื่อ ใจเราดมครอบงาด้วยความเมื่อยความเบือ่อเราถอนตัวออกมาไม่ได้นะแต่พอเรามาเจริญสติเนี่ยเราจะมีเครื่องมือและก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะช่วยปรับสมดุลมันจะถอนตัวจากความเมื่องจากความเบื่อได้แต่แรกๆมันยังถอนไม่ได้ครับต้องอาศัยขันติอ่อนอดทนมันจะเมื่อยยังไงก็ไม่นอนกลางวันไม่นอนแต่กางคืนมันนอนนะ <c oughs> กลาคือเวลานอนก็นอนแต่กลางวันแล้วนอนมันชวนให้เราไปนอนเราไม่นอนมันชวนให้เราเลิกเบื่อแล้วทำซ้ำซากเรื่องแไม่เมื่ออะไรดีขึ้นเลยมีแต่ทุกขนานั้นนะร่างกายก็ปวดเมื่อยอากาศก็ร้อนแมงมีก็มาตอบ้างตัวมุ้งตัวพึ่งมาบ้างก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจก็ระลึกถึงว่าเอ๊ะวันเราทําไมวัเนี้อยู่ที่บ้านก็สบายดีนะ ไม่ทำอะไรเนี่ยทุกจะตายไปนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ที่บ้านเมื่อเราเรอนอนก็ดีเราเบื่อเราเซงก็ดีเราไปหาวัตถุภายหนาวมาช่วยทำให้เราคลายไปเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราใช้ได้แต่พลังใจหรือความรู้สึกตัวของเรานะมันจะไม่แข็งแรงพอและเราจะไม่รู้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ย มันเกิดภายในใจเรานี่แหละเราสามารถแก้ไขโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกก็ได้เช่นอ า, ากาศร้อนเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต้องหาห้องแอร์อยู่แล้วแต่เราร้อนเราเดิจนจรกลมอยู่ลานโค้ง โ, งโอ้โหมันร้อนอาศัยต้นเงาต้นไม้พอได้แต่ต้ น, นมันร้อนอยู่นะแต่เราสังเกต ด, ดูสินะใจเรามันร้อนด้วยใช่ป่ะมันหงุดหงิดด้วยใช่ป่ะนะถ้าเราสังเกต ด, ดูแรกๆมันก็หงุดหงิดนะ แต่พอเราทําไปทําไปอ๋อร่างกายมันก็ร้อนเนาะแต่ใจเราไม่หมดหิตก็ได้เนาะมันรู้อยู่นะเออพึ่งมันมาตายมาอะไรก็เออมันควจะหิวน้ำอ่ะมันควรกินเนื้อเราอ่ะนะเราก็จะมองเห็นตรงนี้เราก็ไม่ทํำไมกลัวมันน่ะเรียกว่าสติมันก็จะมาเร็วปัญญามันก็จะมาเร็วนะเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายที่มันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันเย็นย่างวันช้าเนี่ยอากาศเย็นทีเดียวนะ แล้วตอนกลางันก็มาร้อนอีกนะบางคนก็อาจจะรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนอกจากเรารู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วนะบางทีเราก็เห็นใจมันนึกคิดแป๊บ ๆ, ๆบางทีก็ทําบางทีก็ได้ทันนะเราก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเราความร้อนความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายน ะ, นะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะ อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่เขามาแสดงให้เราดูแต่ก่อนเราไม่ได้ดูเราเป็นไม้เลยเราก็จะมุดหิดนานเราก็จะหนีเราไม่ได้ดูเราไม่เห็นความจริงเพราะนั้นการเรียนรู้การเห็นความจริงวิสัชธรรมเนี่ยไม่เห็นสีเห็นแสงเห็นพระเจ้าลอยมาเห็นเดวงแก้วเห็นสวรรคโลกแต่ที่เขาพูดถึงกันแต่เห็นเนี่ยเห็นกายเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยกายเป็นด้วยบุก้อนนี่แหละ แต่แรกๆไม่ต้องมาแยกแยะนะนลูกพุทธนาสัญญาตรงนั้นไม่ต้องมาแยกแยะเลยเป็นดุ้นด้นนี่แหละนเราจะเห็ น, นว่ามันปวดมันเมื่อยมันหนักมันเบือ่อมันเป็นความทุกข์ที่เขามาแสดงให้ดูเราจะหาวิธีการออกอย่างไรแต่ก่อนเราไปคิดถือว่าเป็นตัวกูกูบเบื่อกูง่วงกูร้อนกูหนาวกูหมดเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นความคิดที่มันคุ้นเคย มันไม่รู้เท่าทันความรู้สึกตัวเราไม่ทันมันมันก็ไปกินหมดเลยใจมันเดินครอบงำนะด้วยสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้เนะขาเรียกว่าความเห็นผิดนะมีฉาทิฏนั่นเองนะก็คือไปเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนนะไปเห็นมาการาต่างๆว่าเป็นตัวตนของเราขึ้นมานะตรงนี้ก็ทุกตลอดนะแล้วทุกไม่พอไปหาวัตถุภายนอกมากลบเกลื่อน ไปวันวันหนึ่งแล้วสังเกตนะเราอาศัยวัตถุภายนอกเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขนาดปริมาณหรือรสชาติมากขึ้นเลยด้วยอาหารที่เรากินอร่อยอร่อยเนี่ยวันนึงเราก็จะเบื่อเราก็ต้องหาอาหารใหม่นาหรือเราดูหนังเนี่ยมาดูไปมากๆมันก็เบื่อไม่ต้องมีหนังเรื่องใหม่อีกนาเรียก็่าตื่นลุ้งหากันมาหยุดไม่หยนนาซึ่งอันนี้มันมันเป็นการไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการหลบหลีกปัญหา การมาเลรสติดวยวิธีการสร้างจังหวะเนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่จะให้เรารเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์ที่เัาปรากฏแล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอ้มันทุกข์ขนาดนี้เนาะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะอ๋อลองดูซิเราคิดเรานึกเราปรุงแต่งไปต่างๆนานานะถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็ถอนตัวออกมาได้นะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เราแก้ปัญหาตรงจุดความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราเราแก้ที่ใจเร า, าก็ได้อาศัยความรู้สึกตัอนี่แหละาอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหนังสือเนี่ยการที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตมันจะต้องใช้ทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเยอ ะ, ะเลยนะ หือ <c oughs> อะไรโพธิปกรณย 37, นะฐานสามสิบเจดโพธิชงเจ็ดพิชงแปดอะไรเนี่ยนะผมันเยอะแยะเลยนะตรง น, นี้ก็เป็นเรื่องของตำลับตำลาไนะปเรื่องของทฤษฎีที่จะเรียนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเจริญส ต, ติเนี่ยทิ้งทิ้งหมดเลยตาราที่อะไรอาา่านเนี่ยทิ้งหมดเลยไม่ต้องมอีในความคิดเลยเอากายเอ า, าใจมาเป็นตาําราเล่นใหญ่ ใช้ความรู้สึกตัวอ่านกายอ่านใจของเรานี่แหละไอ้ตัวเนี้ยหนังสือจริงๆตำราจริงๆพระไตรปิฎกจริงๆและตำราเล่นี้เนี่ยไม่แต่งใช้ความคิดใช้การสัมผัสรู้งาที่หลวงพ่อคำเขียนชอบใช้ันว่าใช้ความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวงะนแตมาใช้คํากำเ น, นงว่าความรู้สึกตัวเนี่ย เป็นยาสามัญประ จ, จําใจแบบ น, นี้ถ้ามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับรู้สึกตัวยาสามัญประ จ, จําใจนะกลับไปเนี่ยาสามารถจะไปใช้ได้กับตัวเราเองกับเพื่อนกับครอบครัวได้มาแนะให้เขาเรียนรู้เรื่องแบบนี้ทีนี้การฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยใาการเจริญสติเนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยนะมันจะมีอุปสรรคสําคัญก็เนี่แหละ ความน่วงความเบือ่อความเซ็งความลังเลยสงสัยความหุดหดที่เขาเรียกวันนี้บอนนะสิ่งเหล่านี้มันจะมา ก, กัน้นเหมือนเป็นภูเขาอะมา ก, กั้นให้เราเดินทางอะส่วนใหญ่พอเราเจอตรงนี้ปุ๊บถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยเราก็ถอยเลยยิ่งสมัยก่อนนะที่วัตปาสุกโตนี่ไม่มีกลุ่มแบบนี้หรอกมาคนเดียว หลวงพ่อก็เทเสร็จก็ปล่อยเราทำนะตอนนั้มามาตอนนั้ไม่ก็อยมีคนนะคนที่ตั้งใจอินซีแก่กล้าจะอยู่ได้คนอินซีไม่แก่กล้าไม่ตั้งใจอยู่วันสองวันก็กลับแล้วเพราะันเบื่ออะไม่มีอะไรเลยไม่มีรสชาติอะไรมันจืดนะไม่เหมือนกับไปนั่งนิ่งๆหลับตาสงบนะซึ่งอันนั้นเนะี่ยมันก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะสงบแล้วนิ่งๆ แล้มันติดสงบงาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นความสงบที่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งนั้นเองแต่ถ้าเราจเจริญสติเนี่ยเราจะสัมผัสกับความสงบที่สงบจากโลกกดหลงใจจะมีสมาธิตั้งนั้นมีไม่วา น, นี้อมีผู้ปฏิบัติอยู่สองคนเอ็นั่งนิ่งๆหลับตาก็เลยไปถามว่าเป็นยังไงทาอะไรหรอ มีคนนั่งง่วงง่วงนู้นนะก็บอกเขานั่งสมาธิเขาไม่เจริญสติแล้วก็บอกเอ้ยสมาธิมันทํา้ังง่วงสิใช่ไหมแสดงว่าเรานั่งหลับตานอนนั่งนั่งนั่งหลับมากกว่านะอ้างว่าสมาธินะซึ่งตรงนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นความสงบชั่วคราวงาเป็นความสงบขณะที่เรานั่งหลับตางามันมันไม่ มันไม่พอนะสติมันไม่พอที่จะเจอกับอารมณ์เจอกับสิ่งแวดล้อนต่างๆมันจะเป็นคนหลบหลูบผู้คนจะไปอยู่ในห้องติดตียเงี่อนถ้าสมาธิแบบเมื่อแบบสงบนะ น, นะเมื่อคืนเนี่ยอติ๊งติิ๊เนี่ยเสร็จเลยหลับไม่หลับแง่ใชะที่มีเขาเริ่มในหนึ่งเที่ยคืนเนี่ยนะแต่การจเจริญสติเนี่ย เราไม่กังวลเลยจะมีเสียงอะไรข้างนอกเราก็ไม่วิตกกังวลเรามีความรู้สึกตัวได้แม้จะมีเสียงต่างๆเข้ามาเราก็รับรู้เป็นเสียงเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเจริญสติด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานการณ์มันตรงกับที่บอกว่าธรรมะเป็นอากาลิกโกไม่ประกอบด้วยการเวลาสามารถทําได้ทุกเวลานะ ที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดสถานที่ด้วยและไม่จำกัดเพศด้วยนะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้พระก็ได้โยมก็ได้นะศาสนาไหนก็ได้ทั้งนั้นงานะมันไม่จำกัดงานเส้นะตรงนี้เนะี่ยก็ถือว่าเป็นสากลนะการเจริญสติเนี่ยงานะนะเป็นสากลที่สามารถใช้กับคนได้ทุกคนแล้วบางคนคงไม่ต้องกลัวน ะ, นะะเราเจริญสติเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมาบวชหรือเปล่าวนะันนี้เกี่ยวกันนะ ไอ้บดนี้เขามาใส่เครื่องแบบเท่านั้นเองนะถ้าเราจะเรียนสติได้ดีชัดเจนเราก็ไปใช้กับการกับงานสมัยก่อนจมาอยู่กังพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่เทียนไม่ไดสมัรสมุนบวนะันบอกไปฝึกแล้วก็เอาไปใช้ในโลกเราทางานอะไรก็ไปทางานตามปกตินะ่นว่าคนตั้งใจนะอยากจะมาทำงานด้านนี้อยากจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ลึกซึ้งให้ต่อเนื่องนะเรียกว่าพิสูจน์กันจริงก็มาบวช นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ได้ได้ยินได้ฟังมาจากหลวงพ่อเทียนนะซึ่งในสมัยนั้นก็มีคนไม่มากหรอกนะแล้วก็ความสนใจก็ไม่มากขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นโชคดีของพวกเรานะที่ได้มาได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาฝึกไม่ว่าจะสวันสามวันก็ตามนะหลายคนคงได้ประสบการณ์ทั้งในแง่ที่ เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามนะแต่อย่าเพิ่งเนะเรื่องนี้ไว้แล้ววันหนึงมันต้องมาใช้อย่างคราวที่แล้วได้พูดว่าการฝึกเจริญสติเนี่ยเหมือนเราสร้างวัคซีนป้องกันทุกไว้ฉีดวัคซีนนี้กับใจเรานะเดี๋ยวทุมาเราจะได้แก้ไขได้นะมันมีพูนต้านทานนะมีพูนพร้อมที่จะเผชิญกับความทุกข์ในใจซึ่ง ตรง น, นี้นะ่ยมันไม่มียาอะไรมารักษานะน อ, อกจากการเปลี่ยนิีเท่านั้นเองการเปลี่ยนสเนี่ยจากการรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้บ่อยๆเรื่อยๆทําให้มันซ้าๆซักๆจนมันเกิดเป็นนิสัยนิสัยที่จะรู้สึกตัวบางทีทําไปทําไปมันก็พลาดๆมันไม่รู้สึกตัวชัดก็ดสซะก่อนนะไม่ต้องไปทํามันอย่างนี้บางคน ยกมือแบบอัตโนมัติเลยโอ้ยกยกเล็ยกใหญ่เลยตาก็เลยไม่รู้นั่งนะับวันกลับหรือเปล่าไม่รู้ น, นนะซ <c oughs> ึ่งตรงนั้นมันมันมันมันไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะก็ทําเองนั่นแหละทํามันหุ่นกระบอกนะมันไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปทําอัตโนมัติทําำให้มันรู้มืรู้เคลื่อนรู้หยุดนะแรกแรกเนี่ยก็เจตนาใส่ความรู้สึกตัวเข้าไป บางครั้งมันก็นเพ่งไม่เป็นไรแล้วนะเราก็คอยสังเกตมันหนักหนั ก, นกมันตึงตึงนะเราก็ผ่อนคลายมองไปไกลๆบ้างมองท้องฟ้าบ้างนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้นะแก้อารมณ์หรือบางทีเราเดินจงกลมนะเดินแล้วมันฟึง้งซ้ำมากบางทีเราก็เดินให้มันเร็วขึ้นนะความคิดเนื่ยนะมันชวนให้เราออกจากความรู้สึกตัวอยู่บ่อย เราเรียนหนังสือมาตั้งแต่เล็กจนถึงเดนนี้มันใช้ความคิดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันมีกําลังแรงมากเพราะนั้นเราไปอยู่สามวันเลยนะโอ้โห ม, มันไม่ใช่เล่นๆ เ, เ, เลยนะหนักเป็นงานหนั ก, น ก, นกเป็นงานหนักทีเดียวนะแต่ว่าก็ม่เหลือวิสัยนะโดยเฉพาะพวกเราเป็นปัญญาชนนะถ้าเปิดใจเรียนรู้ฝึกฝนเชื่อว่าจะเข้าใจได้ง่าย จะเข้าใจได้แล้วก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตของเราในอาชีพการงานของเราและเมื่อรู้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถจะไปใช้กับคนในครอบครัวกับคนไข้กับเพื่อนกับคนอื่นๆไดนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยกันสนับสนุนให้มารดกทำคือกรรมาฐานเนี่ยมันได้แพร่หลายขึ้นมา พุทธศาสนาจ ะ, จะเจริญหรือไม่ให้ดูว่าคนในสังคมนั้นแก้ทุกข์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าในสังคมนั้นยังมีทุกข์อยู่แต่ทําบุญสูญทางกันเต็มเลยไม่อาจจะเรียกได้ว่าพุทธศาสนาจเจริญ น, นะแต่ไม่อไรก็ตามที่คนสามารถเรียนรู้เรื่อง <c oughs> ทุกข์และการแก้ทุกข์ได้และเป็นที่แพร่หลายงานในการที่จะแก้ปัญหานั่นแนหะพุทธศาสนาจเจริญ ซึ่งตรงนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเครื่องหมายไม่ใช่แบมีวัดวารามเต็มเลยมีคนทําบุญเยอแยะเลยแต่คนยังตีกันคนยังมีความทุกข์คนยังฆ่าตัวตายคนยังติดยาเสูบติดอาดูว่าในสังคมไทยเนี่ยน่าคิดมาก น, นะเลื่อพุทธแต่ว่าจับยาบ้าได้ตลอดมีการฆ่ากันอะไรกันตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ ไม่น่าภาภูมิใจเลยว่าเอ๊ะเราเป็นพูทจริงหรือเปล่านะมันน่าคิดเหมือนกันนะเคยไปประเทศศรีลังกาศรีลังกาเนี่ยเคยมีสงครามกลางเมืองเหมือนกันนะแต่ว่าชาวบ้านเขานีมีศรัทธาในพุทธศาสนามากนะเขาไปวัดไปทําบุญทาอะไรเยอะทีเดียวเราเป็นพระนี่ไปบิณฑบาตเขากราบที่เท้าเลยนะแล้วไปที่บ้า น, นเขาล้างเท้าเลยนะเขามีความศรัทธามากมราเป็นสังคมที่ เอ่อเรื่องสยสถานในพุทธศาสนานะแล้วก็ต้นไม้ของเ ข, ง ข, งขานีเ่เขียวนะต้นไม้เล็กๆไม่มีต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สัตว์เนี่ยไม่อดุร้ายนะพวกลิงด้วยอะไรมันก็เข้ามาคนเนะี่ะแสดงว่าคนที้นั่นเป็นมิตรกับสัตว์นะซึ่งแตกต่างจากบ้านเรานะอย่างพวกกระรอกกระแตที่วัดป่าสกุโตเนะี่ยเราสังเกตมาบางทีเราข้าวไปให้มันมันก็มากินนะนะแต่ถ้าอยู่ก็างอกไม่ได้มันวิ่งหนีเลย นะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะสะท้อนให้เห็นว่าคนเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เจริญสติเนี่ยนะเราก็จะตกอยู่ในความทุกขนะ์แล้วก็หาทางออกไม่ได้นะแล้วต้องไปวิ่งหาวัตถุภายนอกนะมากลอบเกลื่อนไม่ใช่แก้ปัญหานะกอบเกลื่อนนะแล้วก็เสียเงินใช้ทองมากมายเลยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องอาศัยกรรมฐานเข้ามาช่วยนะคือเราจะรู้ว่า เมื่อเราเตือนสติดีแล้วเราจะรู้ว่าร่างกายเราต้องการอะไรแค่ไหนจิตใจเราต้องการอะไรแค่ไหนไม่เกินมาพอเหมาะพอดีเพราะการเตือนสติเนี่ยนะมันจะช่วยสนับสนุนนะเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักสันโดษในพุทธศาสนานั่นเองในดินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีแต่ไม่ได้หมายก็ว่าขี้เกียจขี้ค้านนะก็ขยันขันแข็งทำเต็มที่ผลที่เกิดขึ้น จะเป็นอย่างไรก็ไม่ไปตกกังวลแล้วก็ดีดีในสิ่งที่เราได้นะเพราะงั้นกรรมฐานนี่จเจริญสินี้จะช่วยมากนะมีนั่นยิ่งคนที่เคยมาแล้วแล้วก็มาฝึกอยู่ที่วัดป่าสกตโตนี่ก็มีส่วนสําคัญนะบางคนอาจจะสงสัยเอย๊มันมีอะไรมากกว่านี้ไหมนะนะมีสมัยก่อนที่มาก็สงสัยเหมือนคืทําลงวงพ่อเขียนเอ๊หลวงพ่ามันทํานี่แค่รู้สึกตัวนเนี่ยหรอท่านมันก็แค่นี้แหละ จะทำให้มันบ่อยๆนะทำให้มันบ่อยๆจนมันเกิดเป็นนิสัยและความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะพายานตัญญาต่างๆให้เราไปรู้นาะสิ่งที่ละเอียดอ่อนเข้าไปภายในจิตใจของเรานาะจะเป็นอารมณ์เป็นความคิดนาะความคิดในรูปแบบต่างๆนาะที่เราเรียกว่าสมมติอนะ่นะนามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นมันมันจะหลอกเราไม่ได้แต่ก่อนมันหลอกไล้ให้เราสุขให้เราทุกข์ ให้เรายินดีไม่ยินดีให้เราพอใจไม่พอใจนะพิจารณเงินต่างๆนาะนาะแล้วคนปัจจุบันนี่เครียดมากนะเพราะตรงนี้แหละไม่รู้เท่าตัานความคิดเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของคนที่ไม่ได้ฝึกจเจลศรีเนี่ยเขาจะรู้จะจะรู้อารมณ์แต่สุขกระทุกแต่คนที่ฝึกจลศรีแล้วจะรู้อีกอันนึงก็คือความปกตินะ ถ้าในหลักวิทยาศาสตร์มันมีบวกมีลบใช่ไหมแล้วมันมีกลางๆด้วยนะไอ้กลางๆนี่แหละมันเป็นพื้นฐานของจิตใจส่วนใหญ่เราจะบวกบวกลบล บ, ลบสุกๆึทุกๆแต่เราไม่เคยดูความปกติความปกติเนี่ยมันเฉยๆไอ้บางคนไม่บอกโอ้โหเฉยๆไม่เดินชาดิมันกลายเป็นคนไม่รับรู้รับทราบอะไร ไ, ไม่ใช่นะ ความปกติเนี่ยมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นพลังที่มันทําให้เรามีชีวิตอยู่นะหล่อเรื่องให้เราเนี่ยมีความเป็นปกติสุขได้เราสังเกตไหมเวลาเราดีใจเนี่ยมันจะใจมันจะฟูขึ้นแต่มันฟูไม่นานมันก็ตกไปที่ปกติหรือเวลาเราไม่พอใจมันแฟบลงไปสุดท้ายจะกลับมาปกติธรรมชาติมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าความที่เราไม่รู้ไอ้ปกตินี่แหละ เราก็เลยกลับมาไม่ทันเราก็คิดโอ้สุกนี่อยากจะมันสุขยิ่งขึ้นสุขมากขึ้นระ ล, ลึกถึงเรื่องเก่าๆไม่มีความสุขก็ไปขุดเอาสุกเก่าๆขึ้นมาหรือบางทีทุกเนี่ยก็ทุกคิดอยู่นั่นแหละย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคนมีความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะกลับมาปกติได้เร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแก้โรคจิตโรคประสาทได้นะเพราะฉะนั้นคนมีฝึกกรรมาฐานฝึกจารสตนีลจะไม่บ้าเนะ คนไม่ฝึกไม่ถูกอาชีพบาหรือคนที่ไม่ได้ฝึกอาชีพบาจาำพุต่าเคยบอกออในโลกนี้มีแต่คนบ้ามี <c oughs> นคนที่ไม่บ้าอยู่กลุ่มเดียวคือพระอรหันตนะ์ท่านกลับคืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆ อ, นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเรียนรู้น่าพิสูจน์โดยไม่ต้องใช้ความคิดใช้การสัมผัสรู้ทําบ่อยๆ เดินจงกรมสร้างจังหวะทำนั่งเนี้ยทำบ่อยๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันใส่ความรู้สึกคือเจตนาที่จะรู้สึกตัวเขย่งน้ำปิดประตูทำด้วยความนุ่นนวนขับทายลาดน้ำก่อนให้เรียบร้อยขับทายาด้วยสติ จะเป็นปัสาละอุจลากฎีก็ขัดถ่ายด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวทานข้าวจามทองสิลปาทําเมื่อตอนเชา้าตอนกลางวันนะเราก็มีสติกับการเคี้ยวข้ขาวในการตักในการเคี้ยวในการกลืนการดื่มน้ำนะอันนี้เราสามารถทำได้หมดเลยแล้วตรงนี้มันจะทําให้เกิดการเตือนสีแบบต่อเ น, นื่องเป็นลูกโซ่บางทีเราไม่สามารถที่จะทําอยู่ในรูปแบบตลอดทั้งวันได้ แต่เราสามารถที่จะรู้สึกตัวกับการจิจวัตรประจําวันแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเราทํารูปแบบให้ชัดแล้วเนี่ยมันจะมันจะส่งผลตรงนั้นนะแต่ถ้ายังไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเราก็เจตนาที่จะรู้สึกกลัวนะกับการตื่นกับการหลับกับการแปลงฟันนะมีความรู้สึกตัวกับการแปลงฟันแต่ก่อนนี้เราแปลงฟันเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเ่องนี้เดี๋ยวจะต้องไปทำมันมนู้นคิดไปทามันนี้ ต่อ น, นี้เนี่ยเราแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวใจอยู่กับการแปลงฟั น, น, เ, าา เ, น, นเนี่ยเราอาศัยการแคลื่อนไหวเนี่ยของการแปลงฟันมันคิดแวะไปกลับไปบ น, นี้นะหรือเ ว, เวลากินข้าวมันคิดแวะไปกลับไปนี้คําคำข้าวที่เราเคี้ยวอ่กลือน้ำตื่มาล้างหน้าล้างตาให้ความสดชื่นลูสัมผัสรู ก, กับน้ํานที่เย็นนะอันนี้เราสามารถทําได้เพราะฉะนั้น ในการเตสติเนี่ยนะมันเหมาะมากเลยนะสำหรับคนในยุคปัจจุบันนะเราต้องเคลื่อนไหวเราไม่สามารถที่จะนั่งนิ่งหลับตาสมัยก่อนเราเป็นสังคมเกษตรกรรมชีวิตเราไม่รีบร้อนเหมาะกับการนั่งหลับตามีเวลานั่งสงบนะแต่นี้เราต้องทำงานโดยเฉพาะหมอนี่เข้าใจว่า ง, งานนักอีเดียวนะเราต้องเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยเราฝึก็นรูปแบบแล้วเราก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน พรุ่งนี้เราจะกลับเนี่ยจัดเวลาให้กับตัวเองเลยตอนนี้เนี่ยก่อนนอนตื่นนอนสิบนาทีสิบ้านาทีเดิมจงกรมสร้างจังหวะอยู่ในห้องเราอะ่ะนะเราจะทํ า, าทไปทําไปเอ๊มันดีอะ่ะเพิมันขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะให้อาหารใจความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นอาหารใจเพราะฉะนั้นนอกจากเรากินอาหารกายนะกมีอาหารใจด้วยตื่นนอนก่อนนอนนะทำให้เป็นประจำ ไม่ต้องบอกอไม่เป็นไรเอเดี๋ย ว, ยวมีเวลาก็ทำอย่างนี้อย่างนี้มันเผื่อไปแล้วคือต้องบังคับเลยบังคับกำหนดเลยนะแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องลองดูซิที่หลวงพัดเอี่ยนท้าเอาไว้เนี่ยอย่างถ้าภายในสามปีอย่างกลางภายในหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวัน1ึงเก้าสิบวันอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องดูรูปนามละรูปคือกายนามคือ ใจนึกคิดใจมันจะอยู่กับนืกับตัวนะแล้วพอลูบๆมานานตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปรู้สิ่งที่ละเอียดอ่อนในตัวเราความคิดอะไรต่างๆมันจะเห็นมากขึ้นซึ่งอันนี้นะเป็นวิทยาศาสตร์ที่หลวงพ่อจะนิพพนพูันธุ์เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือว่าวิาทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณจริงๆหน้าพิสูจน์หน้าทดลองนะไหนๆละมาสวันนี้พอจับประเด็นได้ เอาสูตรที่พระอาจารย์องส์สินบอกนี่แหละใจมีสติอยู่กับกายผลลัพธ์เท่ากับปกติอง์เล็บสีนเนี่ยสูตรเหมือนไอสไตค์ก็บอก E เท่ากับ MC สแควรอันนี้สืรสำเร็จเลยเอาไปใช้ได้เลยนะทำเลยทำเบยๆทำเรืเ่อยๆให้มันเ่็่่่ส่ยเราขึ้นมาแล้วลองดู่ิความทุกข์มั่จะยังมีอยู่่่่่่่่่าาา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไอ้สูตรสูตรนี้นะทําให้ฝรั่งมาสนใจพุทธศาสนานะเพราะว่าสูตรสูตรนี้เนะี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อเลยนะสิ่งต่างๆเนี่ยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนเราเนะี่ยเราได้ยินได้ฟังหลวงพ่อก็ดีพอาจารย์สงสินก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีอย่าเชื่ออย่บบาเพิ่งเชื่อลองพิสูจน์ดูให้มันมีจริงหรือเปล่าความรู้สึกตัวความคิดอารมณ์ต่างๆมันมีจริงปะพิสูจน์ดู หาพวกเราเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เนต้องพิสูจน์เปิดใจแล้วลองดูสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราคงได้พิสูจน์กันแล้วละ่ะนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรบ้างทําให้เราอึดอัดปรับตัวไม่ถูกจริงๆได้หลักสูตรไนมะ่ต้องสักเจวันเยจ็ดวันเนี่ยกําลังดีเลยแต่ไม่เป็นไรนะพวกเรามีสติปัญญาแล้วได้สูตรสำเร็จไปแล้วเอาไปทําต่อนะทําที่ไหนก็ได้นะ ชอบใจที่พระอาจารย์ทรงสินนั่นบอกว่าเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระกายเนี่ยเพราะนัเราไปที่ไหนเนี่ยวัดไปกับเราใจเป็นพระก็คือสติเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้กลับมารู้สึกตัวให้เรื่อยบ่อยๆ ย, ยาสามัญประจําใจมาต่อไปนี้มียาสามัญประจํากลัดมารู้สึกตัวเครียดเบื่อทุกกลับมารู้สึกตัวมา แต่ว่าคุไม่ต้องไปนั่นเซ็อย่างาไรห้คุเข้าดูนะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นเราแอบ ท, ทําของเราในห้องส่วนตัวนะแล้วก็ ท, ทําของเราอันนี้นก็เป็นสิ่งที่เพราะฉะนั้นทําทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบแล้วก็จัดเวลาให้กับตัวเองที่จะฝึกร่วมพวกนี้ยิ่งโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยยุ่งได้มากนะโอ้ถ้าทําสําเร็จนี่ที่เหลือเป็นกําไรชีวิตนะเป็นกําไรชีวิตเลยแล้วเป็นสิ่งที่ ถ้าทายให้มาพิสูจน์ทําได้จริงจริง่าเชื่อไปพิสูจน์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะที่มากันหลายชิลุสนะแล้วถือว่าเป็นปัญญาชนนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้เป็นมรดกที่ปู่ย่าตายายเรารับมาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและมีน้อยมากที่จะพูดเรื่องพวกนี้ ส่วนใหญ่เราจะเบนเรื่องพิธีลีตามเรื่องไสยศาสตร์อะไรใชมากกว่านะดัง น, นันตรนี้เรามาพิสูจน์ความจริงด้วยตัวของเราเองอาศัายความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มันครบให้ท้วนให้เห็นในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นตรง น, นีนนะ้ก็จะทําให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุข มีสันติสุขเกิดขึ้นในใจและคนไม่มีสันติสุขในใจแล้วก็จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมในประเทศชาติแล้วก็ในโลกต่อไปนะก็หวังว่ า, าสิ่งที่ได้พูดคุยไปในวันนี้นะ่คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้เสริเมเติมต่อนะแล้วก็แนะนาตักเตือนนะต่อไป ในท้ที่สุดนี้นะก็ขออำนวยอภนะในความภาเพียรพยายามของทุกท่านนะที่ไดมาเจริญสติร่วมกันนะด้วยความเพียรพยายามนะจงเป็นพระวะปัจจหนุนส่งให้ทุกท่านนะได้สัมผัสนะกับความจริงนะความเป็นปกติของใจในปัจจุบันชาตินี้ โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร